แล้วก็จัดให้ปลอดภยัยอมามีเห็บกวงเยอะแล้วก็ไปพ่นยาปราบเห็บกวงในรถสมยที่ปลอดภยัยก็ลาดปูนไว้เป็นแช้มเป็นแช้มเป็นจุดเป็นจุดให้คนไปกลางเต้นนี่ได้ว่าเพื่อความปลอดภยัย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 ชีวิของเราต้องฝึกตนเองให้เป็นนิสัยไม่ใช่การกระทําภายนอกอย่างเดียวภายในด้วยมีนสัยด้วยใจชีวิตเหมาะสมกับรรมกับสมมติกับบัญญัติกับปัตถุอาการต่างๆให้เหมาะสมทำกับสิ่งใดไม่เหมาะสมประมาทนิดเดียวก็ผิดพลาดได้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 ท่านคิดว่าจะต้องมีทั้งสองอย่างฐานะทางทรัพสมบัติก็ให้มีสถานะทางศีลทางรามก็ให้มีได้ศาลาไม่รั่วฉีหลังในวัดนั้นโบก็ใหญ่โตกว่าโบทคนอื่นก็ามีแต่ไ ร, ไรยย า, ายได้ไแตงไหนเร่ทองคำอยู่หาทายแม่น้าของคนไปล่อนและทองคำ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 เาออกให้ไม่ให้ในห้วยไม่ท่อนใหญ่อยู่ในห้วยในจ้างญาตโยมอุทยกไปจ้างช่างเจ้าคุณงางสองเชือกเลยอดันพ่อน่ายขึ้นห้วยไปเห็นช่างลาาทรงเราสงสารมันกนขีช่างควรช่างเขาไม่หลงตาเตือนดูวัน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 รู้สึกก็ประสาทไปก็ป่วยไปแล้วตายไปแล้วตายเคยไปดูนอั่งอยู่ก็ตีเฉยๆเดินเข้าไปในบ้านปล่อยผ้าปล่อยผ่อนเดินไปในบ้านวัดกูอยู่สฉยวัดกูอยู่น้อยว่างก็ห้ามาส่งใ น, นวัดความเป็นม้าแลยนเดินหนีจากวัดไปวัดกูอยู่น้อย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 เพ่งไปก็อเอาขึ้นมาก็เป็นดอกปัวเห็นไหมปากา็หลงแล้วไปเราก็ไม่บอกว่าไม่มีก็ไม่ว่าก็าพูดไปอาไปเป็นดอกปัวไปเป็นทองคำก็ช่างมันเธออย่าไปหลงไม่มีสติดึงออกมาเอาขนาดนี้ยังไม่มองเห็นเลยเนะี่ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้ว ไม่รู้อย่างนี้จะเป็นอาจารย์สอนได้ยังไงแต่าบาคคณธรรมไม่ถึงผมแล้วเอาสินล่าป่านีวิเศษขึ้นมาแล้วเ้วก็พยาามแายยู่อยู่วัดวัดอะไรหลวงพ่อกองจตุรัสหลวงพ่อใหญ่เนี่เปิดปฏิบัติธรรมกาไปปฏิบัติอาจาก็หลอกไปกลัวจะ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 จเจ้าให้ได้ก็ได้จริงๆนะตามได้ก็เสียใจจริงๆนะไม่ใช่อย่างนั้นปฏิบัติธรรมเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเห็นนะสตินล้นะอย่าไปเป็นน้องบอกได้ยินไหมหเห็นอย่าเป็นมันเห็นมันสุขก็อย่าเป็นผู้สุขมันทุกข์อย่าเป็นผู้ทุกข์เนี่ยเขือนดอกแล้วสุขทุกข์เขือนดอกแล้วไม่มีแล้วมีสติรูปป้ว่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 เพราะมันรู้จึงเห็นสุขเห็นทุกข์ได้เราก็เปิดออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วเตินด้วยลมแข่งแล้วได้เห็นแล้วเห็นรู้จักรสชาติของโลกแล้วไม่ปิดบังอภิภพแล้วก็ม่สติแล้วตื่นแล้วไม่หลับแล้วรู้สียวตัวขึ้นมาเรียกว่าตื่นแล้ว ตื่นทางกายตื่นทางใจกายก็ออกมาเป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ใจก็เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้มีเดืสิ่งที่ช่วยเราให้เรารู้รูปรสจินเสียงก็เป็นความรู้อร้อยอะไรในโลกเนี้ยนินทาเสืเส่อสุกทุกลด ถ, ถงโลกร้อนหนาวคือความรู้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 ความหลงน่ะมันสุดตรงไปทางใดทางนังสุขก็คือหลงทุกก็คือหลงผิดถูกก็คือหลงนั่นแหละมันเป็นรถของโลกชื่นี้เราจะต้องทำไม่ได้เลยจะมาอยู่กับโลกนี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีให้วันให้เวลาให้เหตุปัจจัยตย่าง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 มีภัยถ้าเหนือสุกเนืทุกได้จึงจากชีวิตของเราเวทนาไปเป็นทุกสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นทุกอะไรไม่เป็นทุกมันก็ขันห้าเนี่ยว่าตโยะอุปท า, านนะขันทั้งห้าเป็นตัวทุกตโยเอวังปะหุลังสาบเจวินเอติเอวังพะตจัะปานาสสะปะกวาโต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 ตหูล่องตาไม่มีวิญญาณแล้วหูหนวดหูบอดแล้วเอาแค่นี้เลยออันแล้วว่าไม่ทุกข์คือไม่ได้ยินนั่นหรือมันยังมีใจ ม, มีกายแมหูหนวกก็ยังมีทุกข์มีกิเลสอะไรอยู่นะตาบอด ก, ก็ยังมีนะสมัยหนึ่งองตาเดินไปนาเขาจุงคนตบนาบอดมา เดินผ่านมามีต้นมะยมต้นหนึ่งอยู่นอกทางไปถนนมันมีชี้เลนชี่ตรงหลีกเข้าไปในในสวนเขามีผู้หญิงขึ้นต้นมะยมอยู่ผู้หญิงก็บอกเออใครพ่อมาหนี้่อยขึ้นต้นไม้คนตาบอดนะเขาจูงไปโอ้นไม่เห็นลงตานะลงตาแบกจบมาแต่นะเขาคุยกับคนจูงเขาโอ้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 อยู่ศึกษารืนี้กันพวกเราไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรจะแปลอาอะไรถ้ามีความรู้สึกตัวก็ทั้งหมดแล้วของผมาจันย์ถ้ามีความรู้ก็ทั้งหมดแล้วของโลกไม่ยากต้ควรเจ้เวลา